ที่สั่งสมบรรมีทำเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องมีจิตใจที่เป็นไปโดยสม่ำเ ส, สมอและมีอัธยาศัยเกื้อกูลในสรระสัตว์โดยทนอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นสัตว์ทั้งหลายประสบตกความทุกข์จะต้องหาทางช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้นไปจากความทุกข์และจะต้องมีความรู้สึกยินดีในความมั่นคง ในทรัพสมบัติของสัตว์ทุกท่วนหน้าจะต้องมีจิตใจที่ไม่เกิดอคติคือมีความเสมอในสันตว์ทุกจำพวกไม่มีอคติในสัตว์ไม่มีความยินดียินได้ในสันตว์ทุกท่วนหน้าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีประวิหารธรรมอย่างนี้จึงเป็นเหตุทําให้บําเพ็ญทานทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบําเพ็ญทาน เมื่อมีการบําเพ็ญทานแล้วก็เป็นเหตุทําให้สมาทานศีลบําเพ็ญเนกขมะบารมีให้บริบูรณ์และชําระสติปัญญาให้ผ่องแผ้วขึ้นเมื่อมสีสติปัญญาผ่องแผ้วขึ้นย่อมจะเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของนามรูปเห็นสัจธรรมที่ มีอยู่ในวัตถสงสารอันนี้เมื่อเห็นสัจธรรมเช่นนี้โดยเจียมแจ้งแล้วย่อมจะหลุดพ้นไม่มีความยึดถือยึดมั่นในสิ่งใดๆในโลกอันเนี้ยจึงเป็นปัจจัยแห่งวิมุติคือความหลุดพ้นได้ด้วยอำนาจของโปรโมวิหารธรรมอย่างน้อยก็ทำให้คนเนี่ยทำความดีอื่นๆได้มากมายาะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าบุคคลที่มีปรโมวิหารธรรมอยู่แล้ว .prom วิหารธรรมที่มีอยู่นี้แหละที่จะทําให้ทำดีอื่นๆหรือความดีอื่นๆที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเจริญขึ้นบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย p ร o มวิหารที่มีอยู่ไปช่วยอุดหนุนหรือเกื้อกูลให้เกิดถ้าไม่มี p ร o มวิหารธรรมแล้วกระยาณธรรมอื่นๆนี้ก็จ ะ, จะเจริญไม่ได้เนีย่ยเป็นเป็นเหตุผลที่ว่า p ร o มวิหารธรรมเนี่ยสามารถที่จะ ให้บรรลุถึงซึ่งโลกุตรธรรมได้เพราะว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อกริยานธรรมทุกชนิดแม้แต่โลกุตรธรรมจนกระทั่งขั้นสุดท้ายคือเรานี้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมนี่เป็นเหตุผลในในพรหมวิหารธรรมสี่เพราะฉะนั้นปัญหาที่นำมาบรรยายสรุปพรหมวิหารธรรมในวันนี้ เป็นเรื่องปรีกย่อยในในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโปรโมวิหารแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติในโปรโมวิหารธรรมว่าในด้านการปฏิบัติธรรมนั้นเราจะพึงปฏิบัติกันอย่างไรคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาถึงหลักธรรมคือโปรโมวิหารธรรมทั้งสนี้แก่สาธุชนบ้างพอสมควร การศึกษาในเรื่องพรมุหารธรรมทั้งสี่ประการนั้นก็จบลงในวันนี้ซึ่งในวันอาทิตย์ต่อไปนั้นก็เราจะได้ศึกษาถึงอรูปกรรมฐานและจากนั้นก็จะได้ศึกษาถึงอาหาเรปฏิกูรสัญญาไปตามลาดับเพราะว่าสมถกรรมฐานเนี่ยมีอยู่สี่สิบประเภท ในสี่สิบประเภทนี้เราจะเลือกปฏิบัติในประเภทประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้มีอยู่ถึงสี่สิบวิธีส่วนทางด้านสติปัฏฐานสี่นั้นก็มีอยู่หลายวิธีซึ่งเป็นหลักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งนั้นใครจะว่าการเจริญสมถะไม่ดีนั้นไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วแต่อัธยาศัยของท่านผู้ใดที่จะชอบหลักการปฏิบัติข้อไหนเราก็ปฏิบัติในข้อนั้นๆดัง น, นั้นในวันนี้อาตมาจึงขอบรรยายเพิ่มเติมจากเมื่ออาทิตย์ก่อนท่านสาวธุชนทั้งหลาย <c oughs> การบรรยายพระวิสุทธทิมรรคในวันนี้ ก็จะได้เริ่มรัญายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ต่อจากปรมวิหารธรรมทั้งสี่ก็คืออรูปกรรมฐานสี่ถ้าพูดถึงเรื่องของอรูปกรรมฐานแล้วก็จะเป็นกรรมฐานที่ส่วนมากสาธุชนไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันเท่าไหร่นักแต่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่มีอยู่ใน พระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้น <c oughs> ได้ระบุไว้ในระหว่างที่บำเพ็ญสมณธรรมว่าครั้งหนึ่งได้ไปศึกษาถึงหลักปฏิบัติในสำนักของท่านอาราดาบทและอุทธกะดาบทจนกระทั่งสาเร็จ สมาบัติแปประการสมาบัติแปนั้นก็คือรูปสมาบัติกับอรูปสมาบัตริรูปสมาบัตินั้นมีสอรูปสมาบัตินั้นมีอยู่สเรียกว่าสำเร็จในสมาบัติแปดคำว่าสมาบัติแปโดยเฉพาะอรูปประสมาบัตินี่หมายถึงการเจริญอรูปปานแต่ว่าการเจริญอรูปปานนั้นจเจริญอย่างไร และเจริญไปแล้วเพื่อผลอะไรบ้างเพราะว่าผลของการปฏิบัตินั้นท่านได้ระบุเอาไวท้ทุกๆข้อถึงผลแห่งการปฏิบัติว่าการปฏิบัติธรรมะข้อนี้จะได้รับผลอย่างนี้ปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้รับผลอย่างนี้ทั้งในด้านสมถะและในด้านวิปัสสนา ฉะนั้นในสมัยนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ศึกษาถึงสมาบัติแปดคือศึกษาถึงอรูปสมาบัติหรืออรูปฌานแต่อรูปฌานที่ได้ศึกษาจบลงแล้วนั้นยังไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งในอริยสัจ ธ, ธรรมจึงได้ลาออกจากสานักของท่านดาบ ท, ทั้งสองแล้วก็จาริ่เรื่อยมาจนกระทั่งลุกถึงริมฝั่งเนรัญชรา จึงได้บำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองและได้ค้นคว้าหาทางที่ถูกต้องหลังจากที่บำเพ็ญทุกระกิริยาอย่างเต็มที่แล้วซึ่งทุกระกิริยาที่บำเพ็ญ น, นั้นก็ยังไม่ใช่เป็นทางแห่งความหลุดพ้นจึงได้เวียนมาปฏิบัติในทางสายกลางที่เรียกว่ามัชิมาปฏิปทาแล้วจึงได้ตรัสรู้อริยสัจสีแ่แสดงให้เห็นว่า ในอรูปประชานทั้งสี่นั้นก็ไม่ใช่เป็นทางแห่งความ้นทุกข์คือไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัติที่จะนำตนไปสู่มรรคผลนิพพานได้เป็นแต่เพียงสมาธิจิตสูงขึ้นประนีตขึ้นเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งแทงตลอดเมื่อเป็นดังนี้แล้วถ้าเราปฏิบัติในอรูปอรูปกรรมฐ า, านจะเป็นประโยชน์อย่างไรเพราะไม่ใช่เป็นทางแห่งความหลุดพ้น ยิงอยู่อรูปกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางแห่งความหลุดพ้นแต่ว่าอารูปกรรมฐานนั้นก็เป็นกรรมฐานที่เป็นบาทหรือเป็นพื้นฐานอันสาคัญในการที่จะให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นได้ปฏิบัติธรรมะที่ประณีตสูงขึ้นเช่นอย่างการจะเข้านิโรธสมาบัติก็ดีหรือแม้แต่การจะแสดงถึงซึ่งอภิน ญ, ญาจิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นก็ดี ก็ต้องอาศัยพื้นฐานทางด้านอรูปปัจานีถ้าหากว่าไม่ได้พื้นฐานทางอรูปปัจานแล้วการที่จะเข้าสู่นิโรธสมาบัติก็ดีตลอดจนการแสดงอภินญยญาต่างๆของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีก็ไม่อาจสามารถที่จะทําทได้สําเร็จเนี่ยประโยชน์นั้นไปได้ตรงที่ว่าเป็นบาตรให้เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้การเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรจะได้อธิบายให้ท่ทั้งหลายได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในตอนนี้เราจะได้ศึกษาถึงวิธีของการปฏิบัติในอรูปฌานสียก่อนว่าการที่เราจะเริ่มปฏิบัติในอรูปฌานนั้นจะเริ่มปฏิบัติกันอย่างไรเพราะว่าฌานก่อนๆที่ได้บรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมานั้นเป็นวิธีการปฏิบัติในด้านสมาธิที่อาศัยอารมณ์ชัดเจนและอารมณ์บางอย่างเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างเหมือนกับอารมณ์ของกรสิน หรืออารมณ์ของอสุภกรรมฐานเป็นแต่เพียงตั้งจิตสํารวมเจริญอนุสติด้วยการนึกถึงพระพุทธคุณบ้างธรรมคุณบ้างสังคคุณบ้างเราก็มีโอกาสปฏิบัติแล้วทีนี้ในอรูปกรรมฐานเนี่ยเราจะกำหนดเอาอะไรเป็นอารมณ์คำว่าอารูปเนี่ยก็บอกชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่รูปหรือไม่มีรูปร่างเป็นแต่เฉพาะเรื่องของนามธรรมาทเท่านั้น การเจริญอรูปประชานหรืออรูปกรรมาฐานนี้ผู้ที่จะเจริญอรูปกรรมาฐานได้จะต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติในรูปประชานมาจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดของรูปประชานแล้วถ้าไม่ใช่จจตุติฌานก็ต้องเป็นปัญญมาฌานทั้งสองอย่างจึงจะสามารถเจริญอรูปกรรมาฐานนี้ได้ทำไมจึงต้องได้รูปประชานมาก่อน ที่จะต้องได้รูปปัจจานมาก่อนนั้นก็เพราะว่าอารมณ์ของอรูปปัจจานเนี่ยจะต้องได้มาจากอารมณ์ของรูปปัจจานอีกทีหนึง่งคือเพิ่มมาจากอารมณ์ที่เป็นรูปปัจจานอีกทีหนึง่งจึงจะเจริญอรูปปัจจานได้เช่นจะขอยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านทั้งหลายเจริญกสินเจริญปฐวีกระสินคือเพ่งดินเป็นอารมณ์ จนกระทั่งได้บรรลุถึงซึ่งปัญจมาฌานคือฌานที่ห้าแล้วเมื่อบรุถึงซึ่งฌานที่ห้าแล้วเนี่ยรูปฌานจะสูงสุดเพียงแค่นี้จะปฏิบัติสมาธิสูงขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเป็นสมาธิที่สูงสุดแค่ปัญจมาฌานเมื่อเราจะเจริญอรูปฌานเนี่ยเราจะทําอย่างไรถ้าบอกว่าจะต้องก้าวจากปัญจมาฌานเนี่ยไปสู่อรูปฌานซึ่งอรูปฌานเนี่ยมีอยู่สี่ฌานหรือไม่อยู่สี่ชั้นด้วยกัน ฌานที่หนึ่งเรียกว่าอากาสานณจายตนะฌานฌานที่สองเรียกว่าวิญญาณ า, า, า, านจายตนะฌานฌานที่สามเรียกว่าอากินจันจายตนะฌานฌานที่สี่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเนี่ยรวมทั้งหมดเป็นสี่ฌานในสี่ฌานนี้จะต้องเริ่มเจริญอากาสานัณจายตนะฌานก่อนทีนี้เราจะเจริญอากาสาณจายตนะฌานเนี่ยจะทําอย่างไรท่านบอกจะต้องเพิ่มกสิน ด้วยการเพ่งกสินุคาติมากาศเป็นอารมณ์คำว่ากสิทุก์กสินุคาติมากาศเนี่ยแปลว่าอากาศที่เราเพิก ม, มาจากรูปปกษินเช่นสมมุติว่าเราได้ปฏิภาธนิมิตเราเจริญปฐวีกระสินได้ปฏิภาคนิมิตมาแล้วปฏิภาคนิมิตเนี่ยจะปรากฏใสสะอาดมีลักษณะวงกลมเหมือนกับดวงดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ การที่เราจะเพิกรูปประสินคือปฐวีกระสินนี้เพื่อเอากสินุคาติม า, ากาศมาเป็นอารมณ์ของการเจริญอากาศสานันจตนาชานนั้นคำว่าเพิกในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใส่ใจต่อรูปแต่ให้ใส่ใจที่อากาศเช่นอย่างสมมติว่าเราเห็นดวงจันทร์ตอนกลางคืนเวลาสิบ้าทุ่มเนี่ยดวงจันทร์เต็มดวง ระหว่างที่เรามองดวงจันทร์เนี่ยเราจะเพิ่งดวงจันทร์ด้วยเอาอากาศในดวงจันทร์เนี่ยจะใช้วิธีการอย่างไรถ้าบอกว่าเราอย่าไปคำนึงถึงรูปของดวงจันทร์แต่ให้เอาจิตนี้คำนึงถึงความว่างเปล่าคืออากาศที่มีลักษณะกลมๆเท่ากับดวงจันทร์นั้นเป็นอารมณ์อย่าไปใฝ่ใจในรูปในแสงในสีของดวงจันทร์ แต่ให้ไยใจในอากาศอากาศนั้ น, นคือความว่างเปล่าที่มีอยู่ในวงเท่ากับดวงของดวงจันทร์นั่นแหละเอามาเป็นอารมณ์วิธีที่เราจะใยใจอย่างเนี้ยเราจะต้องไม่กำหนดหรือไม่ติดอยู่ในรูปของดวงจันทร์แต่ให้เอาใจใยอยู่กับความว่างเปล่าของดวงจันทร์เหมือนกับเรามองไปทางหน้าต่างเนี่ย ที่ช่องหน้าต่างนี่ไม่มีอะไรปิดบงังแต่มันมีกรอบของหน้าต่างอยู่หน้าต่างนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นวงกลมก็ตามมันมีรูป ก, กรอบกรอบเนี่ยที่จํากัดอากาศให้มีลักษณะกลมและเหลี่ยมวิธีที่เราจะกําหนดกระสินุคคาติมาอากาศนั้นก็คือเอาความว่างของช่องหน้าต่างเนี่ยอย่าไปใฝ่ใจกรอบหน้าตา่างว่ากรอบหน้าต่าง น, นี่จะสี่เหลี่ยมหรือจะยาวหรือจะกลมแต่ให้เราเอาความว่างคืออากาศอันนี้มาเป็นอารมณ์ เมื่อเพิกรู ป, ปกัสินออกแล้วเอาความวางคืออากาศที่มีอยู่ในในปัญจมะฌานที่สําเร็จมาด้วยปฐวีกสินนั้นเป็นอารมณ์แล้วผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องบริกรรมระหว่างที่เพ่งอากาศชนิดนี้จะต้องบริกรรมในใจว่าอากาโสรอนันโตซึ่งแปลว่าอากาศนี้ไม่มีที่สิ้นสุดบริกรรมอยู่อย่างเงี้ยอากาโส อ, อนันโตอากาโส อ, อนันโตบริกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอาใจใยอยู่กับ อากาศคือช่องว่างปรอมๆอันนั้นอย่างนี้เรียกว่าเจริญอากาสานันใยจตนาชานทีนี้ทำไมเราจึงต้องเจริญอากาสานันจาจตนาชานหรือทำไมจึงต้องเจริญรูปกรรมฐานทั้งสี่ความจริงหลักปฏิบัติอันนี้มีมาก่อนพุทธกาลก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้สัมมาสามัมโพธิญาณที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าความเข้าใจของ นักปฏิบัติในสมัยนั้นมีความรู้สึกต่อรูปเนี่ยอยู่ประการหนึ่งว่าการที่เรามีรูปเช่นมีรูปร่างกายอันเนี้ยมันมีโทษมีอันตรายเหลือเกินที่ว่ามีโทษมีอันตรายนั้นเพราะว่าจากการมีรู ป, ปรกายอย่างนี้เองจึงทำให้เราเนี่ยมีการลบราค่าฟันซึ่งกันและกัน มีการประทุสร้ายกันด้วยสัตว์ปาวุษบางทีก็ประทุสร้ายกันด้วยท่อนไม้บ้างด้วยมีดด้วยปืนหรือด้วยเครื่องทําลายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็มีการทระเลาะเบาแหวงกันบ้างอะไรบ้างที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่าเรามีรู ป, ปรกายเมื่อมีรู ป, ปรกายก็เป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้มากขึ้นตลอดจนความทุกข์ที่มีอยู่ประจําแต่ละชีวิตเนี่ย ถ้าถามว่าทำไมเราจึงปวดฟันเราก็ตอบง่ายๆว่าเพราะมีฟันจึงปวดฟันทำไมจึงปวดตาก็เพราะมีตาจึงปวดตาทำไมจึงปวดหูก็เพราะมีหูจึงปวดหูทำไมจึงปวดท้องก็เพราะมีท้องจึงปวดท้องทำไมเราจึงปวดเมื่อยต่างๆก็เพราะเรามีร่างกายเราจึงปวดเมื่อยตลอดจนมีโรคภัยต่างๆในตัวเราเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะเรามีรูปร่างกาย ความทุกข์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้จึงมีทำไมเดี๋ยวเราหิวเดี๋ยวเรากระหายเดี๋ยวเราปวดเดี๋ยวเราเมื่อยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดจนความยึดถือต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นคนนั้นมาด่าเราคนนี้มาว่าเราคนนั้นมารังแกเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยจึงมี ถ้าไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วทุกข์ Trans จะมีได้อย่างไร <t> มองดูเผลนๆแล้วก็มีเหตุผลดี <t> เพราะว่าเมื่อเรามีอะไรขึ้นมามันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นมีตาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะตามีหูก็ต้องเป็นทุกข์เพราะหูมีปากก็ต้องเป็นทุกข์เพราะปากมีฟันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฟันมีท้องมีอะไรก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีศีรษะก็ต้องเป็นทุกข์ที่เราจะต้องปวดศีรษะบ่อยๆ รวมความแล้วว่าเมื่อมีรู ป, ปกายอย่างนี้ความทุกข์ทั้งหลายแหลจึงมีถ้ารู ป, ปกายอันนี้ไม่มีแล้วทุกจะมีได้อย่างไรทุกก็ไม่มีที่ตั้งเพราะฉะนั้นผูท้ที่ปฏิบัติธรรมในขั้นอรูปฌานเนี่ยจึงคิดว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายรูปเสียได้นั่นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะถ้าไม่มีรูปเพียงอย่างเดียวทุกข์ทั้งหลายเ่าเนี่จะไม่มีเลย ขอให้มีแต่น้มอย่างเดียวอย่ามีรูปจึงมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายรูปต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปมุ่งไปสู่ความมีนามธรรมเพียงอย่างเดียวว่าอันนี้เป็นบรมสุขของเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ผิดที่ว่าไม่ผิดนั้นเพราะว่ารูปก็เป็นที่ตั้งของทุกเป็นกองทุกกองหนึ่งตามหลักที่พระพุทธองค์แสดงไว แปลว่าพระพุทธศาสนาเรานั้นไม่ใช่แสดงแต่เฉพาะว่าวัตถุนี้เท่านั้นเป็นที่ตั้งของความทุกข์แม้แต่นามธรรมาก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เหมือนกันถึงแม้เราจะไม่มีรูปเลยมีแต่นามอย่างเดียวนามนี้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่ใช่ว่าจะพ้นจากความทุกข์ได้เช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติในอรูปฌานเนี่ยสามารถทำลายรูปได้แล้วแล้วก็ไปเกิดในอรูปประพม แต่ถึงวันนั้นการเดิดในอรูปประพรมก็ยังไม่ใช่เป็นทางแห่งความพ้นทุกยังจะต้องเป็นทุกข์เพราะนามธรรมานี่ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นหลักธรรม ท, ทางพระพุทธศาสนาเราที่พระพุทธองค์ตรัสว่านามรูปนี้เป็นที่ตั้งของทุกขทั้งปวงหรือถ้าพูดถึงเรื่องของทุกข์แล้วท่านก็ตรัสถึงเรื่องนามเรื่องรูปว่านามกับรูปนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ถ้าไม่มีนามไม่มีรูปแล้วทุกข์ก็จะไม่มีที่ตั้ง และนามรูปนี้ไม่ว่าจะอุบัติเกิดขึ้นในภพภูมิไหนๆก็ตามทุกก็จะต้องติดตามไปสู่ภพภูมินั้นๆไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกไปได้แม้จะไปเกิดในอรูปประพรมก็ยังจะต้องจมอยู่ในความทุกอยู่ในเพราะฉะนั้นรูปกับนามทั้งสองอย่างเนี่ยจึงเป็นที่ตั้งของทุกถ้าเรายังมีส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ทุกต่างๆก็ยังไม่หมด ฉะนั้นจึงได้เห็นว่าหลักปฏิบัติในสํานักของท่านอาราลาบทกับอุตกาะด า, าบทเนี่ยยังไม่ใช่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงพ้นอย่างหนึ่งแต่ก็ยังมาติดอีกอย่างหนึ่งพ้นจากรูปแต่ก็ยังมาติดนามยังมีนา ม, มขันอยู่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่และก็ยังจะต้องเกิดในอรูปป ร, รมเพราะฉะนั้นจึงได้สแสวงหาทางปฏิบัติตใหม่ต่อไปเนี่ยจึงได้สแสวงหาทางแห่งความพ้นทุกข เน่เพราะฉะนั้นเมื่อความรู้สึกนึกคิดของออนักปฏิบัติในสมัยนั้นเข้าใจว่ารูปเป็นที่ตั้งของทุกข์แล้วก็มุ่งปฏิบัติเพื่อที่จะขจัดทุกข์ด้วยการรับรู ป, ปรขันจึงไม่ใช่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็ไม่อาจสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ฉะนั้นผู้ที่จรเิญในรูปฌานเนี่ยไม่ใช่ไปสู่ความพ้นทุกข์ เมื่อไม่ใช่ไปสู่ความพ้นทุกนั้นสมาธิเช่นนี้จัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิเล่าท่านก็ไม่ได้ตรัสว่าเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าปฏิบัติตามหลักอันนี้ก็จัดว่าเป็นสัมมาสมาธิแต่ไม่ให้ติดอยู่เพียงแค่นี้ที่ยเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยเพราะว่าสมาธิเช่นนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ชอบเมื่อเรามีสมาธิเช่นนี้แล้วก็ใช้สมาธิเหล่าเนี่ยเป็นบาตร ก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาญาณอีกทีหนึ่งจึงจะสามารถพิจารณาสามัญลักษณะได้ชัดเจนและจึงจะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ปฏิเสธว่าอารูปฌานเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิจัดว่าเป็นสัมมาสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสัมมาสมาธิอยู่เนี่ยสาธุชนทั้งหลายควรปฏิบัติหรือไม่ถ้าท่านปฏิบัติได้ก็ควรจะปฏิบัติ หมายถึงว่าถ้าเราสามารถเจริญอรูปฌานเหล่านี้ให้สาเร็จได้แล้วก็ควรที่จะปฏิบัติอย่างน้อยอรูปฌานเหล่านี้ก็ยังจะเป็นบาตรให้เราเนี่ยไปเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ในบางขณะเมื่อเราได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้ว <c oughs> เพราะว่าผู้ที่สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลนั้น <c oughs> ก็ยังไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ทุกที่มีอยู่ประจําสังขาร น, นั้นก็ยังคงมีอยู่ตามเดิม เ, ออเราจะพบบ่อยๆว่าพระอรหันต์รูปนั้นท่านอาพาธโสสดาบันท่านนี้อาพาธโสสกฐาคาอาพาธท่านก็นยังมีอาพาธมีความทุกข์ทรมานอยู่ที่เป็นดังนี้เพราะว่าวิปากะขะคั่นคือขันที่เป็นวิบากของกรรมได้แก่รูปร่างกายเนี่ยยังมีเพราะฉะนั้นเมื่อรูปร่างกายยังมีเนี่ยพระอรหันต์บางรูปท่านก็นยังอาพาธ แม้แต่พระพุทธองค์เองบางครั้งก็อาพาธและเมื่ออาพาธแล้วก็ต้องหายารักษาบําบัดทุกขเวทนาเหล่านี้ให้หมดไประหว่างที่ทุกขเวทนาเหล่านี้ยังไม่หมดไปนั้นท่านก็หาทางดับทุกขเวทนาได้ด้วยการเข้าสู่นิโรธสมาบัติผู้ที่ได้อรูปฌานก็ได้เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยดับทุกขเวทนาได้เป็นครั้งคราวหรือชั่วคราวเช่น ดับทุกขเวทนาได้เจ็ดวันอย่างนี้เป็นต้นหรือดับได้ห้าวันอย่างเนี้ยระหว่างที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านก็ดับทุกเหล่านี้ยให้หมดไปได้เนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญอรูปฌานะมีอยู่ตรงเนี้ตรงที่ว่าสามารถดับทุกขเวทนาได้ในบางขณะเมื่อเข้าสู่นิโรธสมาบัติเพราะถ้าไม่ได้อรูปฌานนี้แล้วก็เข้าสู่นิโรธสมาบัติก็ไม่ได้ จึงต้องอาศัยอรูปฌาเนเป็นพื้นฐานเข้าสู่นิโรธ ส, สมาบัติเนี่ยเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำไมจึงจะต้องเจริญอรูปฌานและเพราะเหตุดยโยคาวจรสมัยนั้นจึงมุ่งไปสู่ความไม่มีรูปก็เพราะว่าเห็นทุกข์ต่างๆจากการมีรูปเนี่ยมากมายว่ามันเป็นที่ตั้งของทุกข์จริง ซึ่งอันนี้ไม่ผิดหลักพระพุทธศาสนาดอกแต่ว่ามันก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าการที่เราจะหนีหรือสลัดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยให้หลุดออกไปจากชีวิตเราแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเรายังสลัดไม่หลุดเราก็พ้นจากทุกไปไม่ได้อย่างรูปร่างกายเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเพราะมีรูปร่างกายเนี่ยเราจึงมีทุกข์หลายหลายอย่าง ถ้ารูปร่างกายเหล่านี้ไม่มีทุกต่างๆก็คงจะไม่มีแต่เมื่อมันมีแล้วเราก็ต้องแบกทุกกันไปซึ่งเป็นภาระอันใหญ่หลวงในชีวิตของเราอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรูปประขันรูปประกายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความทุกข์ความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นจากรูปประขันเนี่ยมันมีมากกว่านามขันเป็นภาระที่หนักกว่านามขันนามขันนั้นน่ยัง ยังมีภาระน้อยแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกมีความต้องการอาหารทางนา ม, มารมหรืออาหารทางใจบ้างความรู้สึกว่าอาหารทางใจมีความจำเป็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน้อยครั้งสำหรับชีวิตมนุษย์ทั่วไปทั้ทงทั้งที่มันก็มีความจำเป็นแต่ว่าความรู้สึกของคนทั่ ว, วไปเนี่ยก็เห็นความจำเป็นในอาหารของจิตใจเนี่ยน้อยที่สุด ซึ่งความจริงแล้วมันก็มีความต้องการเท่าๆกับอาหารทางกายเหมือนกันต่างกันแต่ว่าอาหารทางใจเนี่ยเราไม่เป็นภาระมากเหมือนกับอาหารทางกายอาหารทางกายเนี่ยเป็นภาระเลือเกินเช่นอย่างท่านทั้งหลายจะบริโภคอาหารทางกายเนี่ยเราจะต้องไปหาอาหารมานั่งรับประทานจานแล้วจานเล่าซึ่งจะต้องนั่งเคี้ยวนั่งขบนั่งกลืนลงไปสู่ภายใน ร่างกายจึงจะได้รับความอิ่มจากอาหารเหล่านี้แล้วก็เป็นกังวลมากมายแต่อาหารทางใจนั้นไม่ไม่ต้องใช้วิธีการอย่างนั้นบางครั้งท่านทั้งหลายอาจจะนั่งหลับตาและประทมใจของท่านให้สงบให้เป็นสมาธิเพียงแค่นั้นจิตใจของท่านก็ได้ดื่มด่ำอาหารทางใจแล้วเพราะอาหารทางใจเนี่ยได้แก่ธรรมะได้แก่ความสงบในบางขณะที่เราสามารถ ทำใจของเราเนี่ยให้สงบได้นั่นก็ชื่อว่าเราได้ดื่มรสอาหารทางใจและเราก็หาความสุขทางใจได้โดวยวิธีการอย่างนี้ซึ่งมันมันไม่ยากเหมือนกับอาหารทางกายแล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลมากเหมือนกับร่างกายร่างกายเราซะอีกยังจะมีกังวลหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสังคมที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอิสระในทางกายนั้น ก็น้อยกว่าความเป็นอิสระในทางใจเช่นอย่างขนมทำเลียนประเพณีเนี่ยมันก็จํากัดความเป็นอิสระหลายหลายอย่างในทางกายได้เจริงสมมุติว่าท่านทั้งหลายเแต่งตัวในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าท่านจะไปงานศพเนี่ยท่านแต่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างน้อยอาภรณ์ที่คลุมร่างกายเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดสีออกแล้วก็สวมใส่ชุดสีดํา หรือถ้าเราแต่งชุดสีดําแล้วเราจะไปงานมงคลเช่นงานขึ้นบันใหม่งานแต่งงานหรืองานอะไรทบุญอายุก็ตามเราก็ต้องไปเปลื้องเครื่องแต่งกายดําออกแล้วต้องใส่ชุดสีไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนรรมทำเนียมประเพณีนั้นก็เป็นอุปสรรคหลายๆอย่างที่ทําให้ความเป็นอิสระเสรีในทางการเนี่ยลดน้อยลงในความกังวลตลอดจนภาระต่างๆก็มีมาก ทางกายเนี่ยมีมากกว่าทางทางใจหรือทางรูปธรรมเนี่ยมีมากกว่าทางนามธรรมรูปธรรมเราเองเราจะต้องมีภาระตั้งหลายหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแต่ว่านามธรรมานั้นเราไม่ต้องมีภาระอะไรเลยอย่างเราจ ะ, ะแปนงกายเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องมีเสื้อผ้าแพรพันธ์ต่างๆหรือเครื่องประดับเพชรนินจินดาต่างๆเนี่ยมาประดับ ให้เกิดความสวยงามขึ้นเราจะต้องรูปไร้ฉากทาด้วยของหอมเครื่องประทินผิวต่างๆนี่เป็นเรื่องของรูปแต่ถ้าเป็นนามธรรมแล้วก็ไม่ต้องใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงว่าเรามีจิตตั้งเจตนานงดเว้นเราก็มีอาภรณ์เป็นเครื่องประดับแล้วเราทำจิตให้เป็นสมาธิจะนึกถึงคุณของพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์ หรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือจะกำหนดรูป ก, กำหนดนามก็ตามเราก็ทำได้แล้วใจเราสามารถทำได้แล้วก็อุปสรรคต่างๆในทางใจเนี่ยก็มีน้อยอย่างท่านจะหาความสุขเนี่ยความจริงไม่ต้องมานั่งที่นี่ท่านก็มีความสุขถ้าท่านรู้จักแสวงหาเช่นอยู่ที่บ้านอยู่ที่โคนต้นไม้ อยู่ที่สถานเงียบสงัดที่ใดที่หนึ่งท่านทั้งหลายก็หาความสุขได้ในสถานที่นั้นๆเป็นแต่เพียงว่าเราทำใจของเราให้สงบทำใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสถ้าเราจะคิดก็คิดแต่เรื่องของกุศลเพียงแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วหาความสุขในทางใจได้แล้วในความ เสรีภาพทางใจเนี่ยมันมีมากกว่าทางกายเราอาจจะสแสวงหาความสุขอย่างไรอย่างหนึ่งทางจิตใจของเราได้โดยการรู้จักวางใจของเราทําใจของเราเนี่ยให้สงบให้ผ่องใสทาใจให้เป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างน้อยว่างๆเราก็นั่งคิดทําบุญการนั่งคิดทําบุญเนี่ยก็เป็นความสุขอันหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปทา แค่เพียงคิดทำอย่างเดียวมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วท่านกระวาเนี่ยใช้โยนิโสมนัสิกาแล้วเราจะทําเมื่อไหร่หรือจะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยแต่ก็ขอให้คิดทำเพียงแค่เราคิดทำเท่านั้นโดยไม่ต้องไปคิดแล้วว่าจะทําได้ไหมจะทําสําเร็จไหมทําเมื่อไหรมันจึงจะเสร็จไม่ต้องไปคิด